ข้อความเจริญในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่วมพระโพธิญาณคงเสนอวิทยะบา ร, รมีต่อไปโดยอาัยนยะแห่งพระพุทธธรรมหลัดที่ทรงแสดงไว้ในโอกาสที่แตกต่างกันรับสั่งว่าคนไม่เกียจคร้านพึงได้ความสงบใจก็เป็นการปฏิเสธ ก็หมายความมายืนยันด้วยงความเพียรนะ่าคนเรานันจะประสบผลสำเร็จอะไรก็ตามจะต้องอาศัยความเพียรพยายามความมุ่งมั่นที่สูงบาคนไม่เกียจคร้านก็คือคนที่อยู่ด้วยความเพียรพยายามที่บางครั้งท่านใช้คาว่าอารัฐวิริโยวิหันดิจหมายความมาครองชีวิตอยู่ด้วยความเพียรพยายามซึ่ง แน่นอนว่าตนเองก็ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องประสบปัญหาต้องทุกข์ยากลำบากและมาอาจจะกระทบกระเทือนเงสุขภาพพลานามัยอะไรก็ตามแต่ว่าคนที่ขจัดความเกียดชัาออกไป ล, ลงมือประกอบกระทำความเพียรที่เหมาะสมถูกต้องแก่กรณีทังนั้นพอถึงจุดหนึ่งก็สบายใจ บางครั้งบางคราวเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวจางเรื่องมหมาชนกเนี่ยหาชนกผลจัดที่จริงแนวตรงนี้แนวว่ายน้ำเนี่ยมีหลายเรื่องคือเราจะเห็นว่ามันความเพียรพยายามเราได้ใช้แล้วแต่จะถึงหรือไม่ถึงเราก็ไม่รู้หรอกเพียงแต่ว่าตราบใดที่เราหายใจยังมีอยู่ก็ทําไปอย่างที่เคยกล่าวไว้ในวันก่อน ชีวิตยังไม่รับดับเพียงนี้แร ง, รงยังมีจงสู้กระเสือกระสนแม้เจ็บปวดรวดร้าวจงเฝ้าทนประจบจนสมหวังได้ตั้งใจความเกียกร้า น, นั้นมันสบายคือเอาเขาเรียกว่าเอาความสุขมาลงทุนซะก่อนแล้วในที่สุดชีวิตมันก็เหลือแต่ความทุกข์ตัวอย่างตัวเนี้จะพบได้ง่ายในสังคม คนที่มีความหมั่นขยันมีน้ำอดน้ำทนต่อสู้ปัญหาอุปสรรคอันตรายบางคนในลักษณะที่เรียกว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเนี่ยตอนปลายก็จะสบายแม้แต่หลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายที่ท่านประสบความเหร็ดมีบารมีสูงสูงคือถ้าเราศึกษาประวัติความเป็นมาแล้วแหมคือเป็นเกือบตายมาทั้งนั้นคือไม่มีใครที่สบายมาตลอด เพียงแต่ว่าเราไปเจอท่านในยุคของการเก็บเกี่ยวผลคือไม่ได้เจอในยุคที่ท่านประกอบเพุแล้วคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตปัจจุบันก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่จนจนแล้วกลับรวยเนี่ยมันจะห่วงใหญ่โอลูกมากเกินไป ัวลูกจะจนอย่างตัวเองแล้วบางทีก็ไม่ยอมเล่าให้ลูกฟังถึงความเป็นมาความยากไร้ของตัวเองในขณะที่ตัวเองเป็นลูกของชาวนาแต่ว่าลูกนั้เป็นลูกของเศรษฐีลูกของนายพลลูกของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บางทีก็เหลือก็ได้ไง่ายๆไม่ได้ศึกษาทาเนียกเรียนรู้ ความคิดในแนวนี้ที่จริงในวงสังคมไทยเราค่อนข้างกระจายวันก่อ น, นมีคนมาเล่าให้ฟังว่าคนเขาอยู่ทางภาคได้นะะแล้วก็มาเป็นข้าราชการผู้ใหญ่อยู่ในกรุงเทพลูกก็เกิดในกรุงเทพ แต่ว่าก็ไปเยี่ยนญาติอยู่ทางภาคใต้บ่อยๆก็อยู่นานๆเด็กมันก็พูดได้ทั้งสองภาษาแต่พ่อไม่ยอมไม่พูดพอลูกพูดตายก็ตบเลยบอกอยากจะเป็นไพร่หรื อ, อยังไงก็ไม่อยากจะถา ม, มานะแต่บานก็แปลกทําไมภาษามันทํำให้คนเป็นไพร่เป็นเจ้าแในลักษณะยอมสยบ การแสดงให้เห็นว่ามัน ก, ก็หลงหลงทางชีวิตลืมกคำพืน้นตัวเองลืมสัญชาติตัวเองไอ้ที่จริงถ้าเรามองกันในแง่ตรเนี้ยนนการดังเกีย่กันด้วยภาษาเนี่ยถ้าสมมติว่าเมืองหลวงของประเทศไทยไปอยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยภาษากลางเป็นเป็ น, ปนปออกเสียงเป็นยังไงหรือเมืองหลวงไปอยู่ที่สุราษฎร์อย่างเงี้ยหรือเมืองหลวงไปอยู่สุพรรณอย่างเงี้ย สำเนียงมันจะเป็นยังไงอันนี้มันมันที่จริงมันเป็นกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมันไม่มีภาษากลางภาษาไม่กลางอะไรอ่ะก็กฎเกณฑ์กําหนดขึ้นว่าเป็นภาษาราชการเราใช้กันอย่างนี้ก็ทานั้นแต่ไม่ได้แส ด, แดงถึงความเป็นเช่าเป็นเจ้าเป็นไพร่มันเป็นเรื่องของภาษานะก็ลุงทางในลักษณะนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน และความสงบใจมันก็เกิดขึ้นได้ยากเพราะอะไรเพราะใจของแกไม่สงบทีนี้ในการทำงานเนี่ยมันต้องชัดเจนในกระบวนการคือผลเนี่ยมันมาจากเหตุแล้วก็มาจากกระบวนการเหตุนั้นมันต้องอยู่ในกระบวนการเพื่อเกิดผตรงนั้นเพราะเจนีว่าตามปกติแล้วเราจะต้องการผลในทางที่ดีๆแต่ประกอบเหตุไม่ดี ต้องการจะได้เกรดมากๆมีคราวหนึ่งยังรู้สึกก็รู้สึกกันนะแต่เราก็ไม่ได้ช่วยยังไงยื่สอนที่มหาวิทยาลัยสอนวิชาพิเศษนะฮะแล้วก็เด็กคนหนึ่งเนี่ยมันตกก็ตกในก็เรียกว่าถ้าตกวิชาที่มาสอนเนี่ยต้องต้องดีทาย แต่เราก็ไม่เห็นแก่ใครเข้าเหรียดเท่าไหรพอมาตรวจสอบไปมันก็ตกจริงนะฮะแกก็มาหาขอร้องขอให้ได้เอบ้าคุณต้องเข้าใจนะเอเนี่ยมาจากอะไรมันมาจากคะแนนดิบคะแนนดิบเนี่มาจากอะไรมาจากคําตอบที่ถูกต้อง ถูกต้องมากๆคําตอบที่ถูกต้องนั้นมาความรู้รอบในด้านต่างๆความรู้รอบด้านต่างๆมาจากการเรียนการอ่านการฟังการเข้าชั้นการทรํารายงานโอ้มันเยอะเลยเนะี่ยคุณลองสังเกตว่าเหตุคุณไม่มีแล้วคุณจะมาต้องการผลอย่างนั้นวันหลังขนาดว่าพาพ่อแม่มาด้วยนะมาขอร้องร้องห่มร้องห้บอกว่ามันไม่รู้จะให้อย่างไงจริงๆนะ แต่จันมีสตางคุณขอสตางเนี่ยจะให้ได้แต่คะแนนเนี่ยไม่รู้จะให้ยังไงอ่ะมันต้องเกิดจากคาตอบของคุณเองถ้าคําตอบคุณดีเนี่ยไม่มีใครหักของคุณได้แต่เมื่อคุณตอบไม่ถูกดีมันจะออะไรมาให้อ่ะนี่คือคือลักษณะเราจะเห็นว่าเราต้องการผลต้องการผลต้องการเอนะ เอวังนะคงจะได้มาก็เลยวันวันนั้นก็เลยรำคาญบอกว่าเอวังนะคงจะได้แต่ว่าเอเอที่เป็นเกรดเนี่ยมันไม่ได้ครับก็บอกว่าประโยชน์จะไม่สม็จโดยชอบแก่ผู้ทําโดยเบือนนายเห็นไหมตัวนมมนนเนี้ยสมมติเราในกรณีเนี่ยเอนี่เป็นตัวประโยชน์เกรดเอนี่เป็นตัวประโยชน์แต่ว่าตัวเองนี่เบือ น, นายการเรียนไม่มีไม่มีเออิธิบาทในกา ร, รศาึกษาเราเรียนเลย แต่ว่าต้องการผลสูงพอผลสูงพอไม่ได้มันก็โกรธคนนั้นโกรธคนนี้โยนโทษต่างๆให้โกรงานคนนี้เป็นเรื่องที่น่าสนุกพอถ้าเราต้องการทํางานเนี่ยต้องการผลประโยชน์ได้เกิดขึ้นโดยชอบต้องมันขยันทำดุดดุดดุดดําทำทำทำทำหยุดๆ ด, ดเนี่ยแบบภาะไรก็เรียกกแตแหละ ว, วิ่งหยุดหุด ยังวิ่งหุดหวิ่งหยุดแล้วท่านก็ยืนยันนะฮะว่าป ร, ประโยชน์จะสละเด็กโดยชอบแก่บุคคลที่ทําโดยไม่เบื่อได้นี่เป็นคําสอนระดับของชาดกนะฮะท่านกล่าวไว้ในชาดกต่างๆทีนี้ในการใช้ความเพียรพยายามก็อีกหละมันต้องเหมาะสมแก่กาละแก่เทวสักแ ก, ก่กรณีดังกล่าวแต่ว่าเกิดใช้ความเพียรผิดที่ เช่นว่าปลูกผักในฤดูที่คือปลูกผักแค่ได้ดชั้นหนึ่งที่ว่าตลาดมันล้นตลาดไปแล้วนะระยล้อย่างเราลองสังเกตว่าในเมืองไทยเราเนี่ยมันมันมันมีปัญหาซ้ำซากอ่ะและว้วมาเองไม่ค่อยเข้าใจอ่ะคือเราศึกษาดูเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมเขาทาอย่างนี้นะ เช่นว่าข้าวเนี่ยมันในกระบวนองเข้าวทั้งหมดอีกี่กระทรวงรับผิดชอบแล้วก็ศึกษาให้มันครบวงจรข้ามันว่าปีหนึ่งมันผิดเท่าไหร่เราวต้องพูดกันรู้เรื่องด้วยนะชาวบ้านเราชาวบ้านก็พูดยากเหมือนกัน น, นะแล้วก็ผิดท่า น, น, นราคามันก็ไม่ตกเพราะว่ามันเป็นไปตามความต้องการของตลาด แต่บอกของมาล้นตลาดของก็ถูกมันก็เรื่องธรรมดาเนี่ยไม่ไม่เห็นมันเังพิเศษอะไรแต่เราก็ยินดีที่ทําความผิดจำทัน ท, ทักษะตอนมันก็ต้องประกันกันอยู่เรื่อยราคาประกันยางบ้างอะไรละ่ะกาแฟบ้างน้ามันปาล์มบ้างข้าวบ้างอมันสัมหลังบ้างก็หลายเรื่องนะหอมหัวใหญ่บ้างหลายหลายเดง ลอง น, นับดูเนี่ยมันมีมีสักรวมยี่สิบไม่ถึงยี่สิบปีนะฮะสิบขยาะนั่นก็คืออะไรก็คือว่าเป็นการทำความเพียรที่ไม่สอดคล้องกับกรณีในยามที่เขาต้องการเนี่ยเราไม่ได้ทำแต่ว่าไปทาในยามที่เขาไม่ต้องการในบางครั้งบางคราวเราก็ไปทำแข่งกัน มีลักษณะอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างแก้ยากในบ้านเรานะคือลองสังเกตว่าโดยพื้นฐานแล้วนคนจะต้องมีปัญญาในการต่อจองมองสิ่งทั้งหลายแต่ว่าการณีหนึ่งที่น่าห่วงก็คือว่ามันจากพื้นฐานทางฤทธยาแล้วก็มีโลภะแล้วกฤทธิยาแล้วก็ขี้เกียจนะนรั ก็ทําให้เวลาเห็นใครก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเพราะการกระทำจะได้ย่างหนึ่งมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสองเรื่องหนึ่งก็คือว่าไปต้นเขาเฉลยแต่ในกรณีเนี้ยเราได้ยินบ่อยๆนะคกนเบิกเงินมาประสบความสำเร็จการค้าขายมาได้กำไม่มาถูกหวยมาคกนถูกหวยนั่นหมากลัวจะถูกล่าเลยนะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าสังคมในมีคนริสตยายเยอะ อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากมั่งคั่งร่ำรวยอุอดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งต่างๆแต่ในขณะเดียวกันก็ขี้เกียจอีกอย่างหนึ่งขยันแต่ไม่ฉลาดหมายความว่าทำแบบเดียวกับที่คนอื่นเขาได้ตัวอย่างที่ชัดเจนเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเห็นมหมอาคารที่ว่างเปล่าที่ไม่มีคนเช่ามีคนซื้อมีคนจองอะไรเนี่ยมันเกลื่อนไปหมดเลยไปต่างจังหวัดก็เกลื่อน แล้วก็ทาตามกันทุกเรื่องไม่แม้จะปลูกผักอะไรก็ตามเราเคยสังเกตว่าสับประรดเนี่ยเคยล้นตลาดจนขยับไปไหนไม่ได้นั่นหมายความว่าความเพียรความเพียรที่มันล้าหลาังมันชาไปอันนี้มันก็เกิดขึ้นจากมีมีอาจารย์ที่สับ ป, ปะโมกเขานำลูกศิษย์เข้าไปป่า ก็ฝึกพักสนามกันด้วยแล้วก็ต้องการจะหายไม้มาทําฝื้นด้วยนะก็มีตกลงกันว่าทุกคนเนี่ยจะได้ฝืนทุกคนละมัดก็แบกกลับกันไอ้คนหนึ่งก็ไปหมายตาต้นต้นไม้อย่างนี้เขาเรียกว่าต้นไม้กลุ่มหรต้นไม้ใดนะมันดูคล้ายๆไม้แห้งเพราะมันสลัดใบแกก็ในขณะที่เพื่อนหักไม้กันเนี่ยตัดไม้หักไม้กัน แกก็นอนเฝ้าต้นไม้สักนันดู๋ยพอกล้าจะถึงเวลาก็รีบตะลีตลาดลุกขึ้นก็หกักเลยนึกว่ามันไม้แห้ง น, นะพอหักก็ไม้เด้งตีตาอบอดอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้เห็นพ่าที่จริงเนี่ยคนอื่นเ็าเริ่มทำมาตั้งนานแล้วแต่ตัวเองก็ไม่ยอมทำ ได่ไปทำในเวลาถูกระหุบกระทันหันขาดการพิจารณาเทียบเคียงรอบคอบแล้วก็แทนที่จะได้มันก็ประสบความพิบัติเพราะความเพียรในลักษณะล้าหลังเนี่ยไม่ทันการไม่ทันตามความต้องการของตลาดรเราทําเมื่อตลาดเป็นอิ่มตัวแล้วหรือเวลามันเคลื่อนไปแล้วมันพลาดไปแล้ว ด้การศึกษาองประกอบในด้านต่งตางๆไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามก็ะจะต้องมองในเรื่องเหล่านี้เมืนก่อนมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเล่าก็การ์ก้าเสียดายคือไม่ไม่ได้ปเปียนนะแต่ก็บอกท่านบอกว่าหลวงพ่อก็เป็นนักเทศน์ดัง อยู่บางทีี่มันไม่ได้แต่ว่าศึกษาค้นคว้าไปเรื่อยมีความรอบรู้รอบด้านเนี่ยไม่ได้แปลกอะไรเพราะป ร, ะริญญาทำให้ศึกษาต่อมันก็อย่างงั้นนะคนเราก็ต้องศึกษาต่อเอก็เรื่องหลักของศาสน า, า, าเนี่ยมันในภาค เ, เศษกระดาษปริญญาบัตรเนี่ยที่จริงมันก็เป็นอีกระดับตึงกัานเด่น เนื้อหาสาระมันก็มองไปที่ในแง่ของความรู้ความเข้าใจแล้วการปฏิบัติได้เนี่ยคือตัวหลักปฏิบัติตามหลักธรรมะตรงนั้นได้เพราะความเพียรพยายามบางทีเนี่ยก็มีพระยกกลุ่มหนึ่งเพื่อนเขาผมเป็นเพียรสมณธรรมกันเป็นการใดญตื่นก็ตั้งวงคุยเรื่องราาระกันอยู่เรื่อยี่ย แล้วในที่สุดก็เข้าใจว่าที่ตัวทับเนี่ยมันถูกที่เพื่อนทำเนี่ยมันผิดในสุดเพื่อนก็บรรลุมาพูนกันตัวเองก็ไม่ได้อะไรความเพียรล้านหลังความเพียรชาไปต้แนวตามกันตรงนี้ก็เหมือ น, นกันคือยังมองว่าแม้แต่ในการศึกษาของเรารเราเห็นว่ายุค น, นี้นิเทศเจะมาแรงมากแต่ว่า งานรองรับเนี่ยมันมีมากพอหรือเปล่ามันขยายได้สัดส่วนกับความต้องการด้านนิเทศหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะวูบวามาเป็นยุกๆนะเป็นยุกเป็นสมัยว่าตลาดมันต้องการอะไรคล้ายๆก็ฝิดคนขึ้นแบบสินค้าไปป้อนตลาดซึ่งบางทีมันก็โดนตลาดเหมือนกันกาคิดแบบการตลาดแม้แต่การแต่การศึกษาก็จัดแบบตลาดอะนะก็ดูความต้องการของตลาด การเปียนพยายามจึงต้องมีปัญญาเข้าประกอบเป็นหลักแล้วก็มีการกระทําเหมาะสมกับการเวลาแลว้วกนอีกพวกหนึ่งเนี่ยคือจะลักษณะก็เรียกว่าผัดวันประกันพรุ่งนะฮะรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนเก็บไว้ก่อนพักไว้ก่อนไปเป็นไรพวกนี้ที่จริงก็คืองานอะไรอ่ะที่พระเจ้าทรงแสดงว่า อั น, นากุลาจะกรมันตาเอตมังกะละมุตตะมังการงานไม่ข้างค้างอากูนี่เป็นอุดมมงคลทีนี้พวกเราก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยกอดเก็บไว้ก่อนพักไว้ก่อนงานมันก็ทับผมแล้วุรท้ายมันก็สางไม่ได้บาทีงานราชการเนี่ยไปกองอยู่บนโต๊ะผู้บังคับบัญชาเลยไม่ได้เสร็จเรื่องเดินอืดชา้าแต่เกี่ยวข้องกับราชการแล้ว มันท้อเลยแหละไม่น่าจะเดินชายอย่างนั้นจะเรามองที่เราก็เห็นใจเหมือนกันว่ามันมันคล้ายๆกันเรื่องเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยคนใหญ่มันก็เป็นที่ประสงค์ของคนทั้งหลายนะต้องการพบป้าต้องการทำพาดต้องการอะไรต่ออะไรเนี่ยวันก่อนไปประชุมที่กระทรวงมหาดไทยเรื่อง งานทับดาส่งเสริมพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่29 19มีนาเนี่ยมันก็เปลี่ยนเบลเลียววัดต่อรัฐนม่ีช่วยรักษาการแต่รัฐมมตรีว่าการยังลาออกไปนัดหมายไว้4โมงเช้าได้ไปชุมมา4โมงครึง่งโคดมาแทรกตรงนั้นทีตัวนั้นทีก็น่าสงสาร น, นั้น แต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนั่นก็คือคนบางทีเนี่ยเราก็ต้องมององค์ประกอบก็เหมือนกันว่าไม่มีเงื่อนเวลาที่จะไปทำงานเราเนี่ยและโดยเฉพาะย่างยิ่งคือมองแบบพระเราก็เหมือนกันนะคือความเพียรกงท่านบางทีมันก็ลาหลังเพราะอะไรเพราะว่า โอกาสที่จะให้ทําเนี่ยรอไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อเดี๋ยไปธุระนนธุระนีธุระนั้นก็ไม่ใช่ท่านว่างหรอกแต่จริงท่านท่านไม่ได้มีโอกาสที่จะนั่งอยู่บนโต๊ะจะนั่งเซ็นนั่งซื้อจะอ่านอะไรแต่าไรได้เพราะว่าทั้งคมไปดึงไปหมดแต่ว่าคนเราจะต้องมีความเป็นด้วงตัวเองคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันจะต้องตัดออกไปสักบ้างเพื่อจะจับงานหลักเอาไว้ การสังสารการรืน่นเริเงการพักผ่อนการไปเที่ยวอะไรแต่ใดทัศนจรทัศนจรหรือว่าคุยก็คุยกันเป็นเฉพาะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกิ จ, จลักษณะไม่ใช่ว่านั่งคุยอ้อยส้อยพิริพิไรกันตั้งนานเท่านานแล้วก็ในที่สุดมันก็ชวนกันแก่ต่างๆกันต้งบอกว่าคนที่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยย่อมเสื่อมยิ่งบอกว่าบอกว่าพรุ่งนี้เมื่อวันนี้ปรืนนี้ยังไปใหญ่เลย คืเอเหยียดเวลาออกไปเท่าไหร่เนี่ยความเสื่อมจะยิ่งติดตามมามากยิ่งขึ้นวันโดยหลักการปฏิบัติก็ทรงสอนว่าอัจเชวิกิจจะมาตับปังคนความเพียรพยายามเนี่ยควรที่เร่งกระทำจะในวันนี้เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เพราะเราไม่รู้ว่าความตายอาจจะมาถึงในวันทุ่มนี้ก็ได้เนื่องจากเราไม่สามารถจะผัดเพราะผัดเพี้ยนต่อรองขอร้องอ้อนวอน ต่อพญ า, ามัจจุราชพูดมีเสนาใหญ่ได้เลยดั่นั้นจึงทรงเน้นว่าบุคคลพึงพยายามไปจนกว่าจ ะ, สะเส็จประโยชน์ตามที่ตนประสงค์จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาจะทุกข์ทรมานยังไงก็ตามก็พยายามไปเรื่อยๆแบบพระโพธิสัตว์เดี๋ยาจะเห็นว่าท่านจะไม่หวั่นอะไรเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ดูแล้วไม่น่าจะกล้าทำ แต่ท่านก็กล้าทำทาก็มีความเชื่อมัน่นท่านก็บอกว่าผู้ไม่ประมาทย่อมทําความเพียรได้แน่วแนเห็นไหมว่าเนี่ยประไม่ประมาตก็คือสติมันต้องมีลักษณะประคองนะความเพียรเนี่ยต้องประคองคือรักษาระดับของความเพียรให้ต่อเนื่องพยายามอย่างต่อเนื่องไม่ใช่คนจับจดทิ้งๆิคว่างคว่างรอก่อนเดียวก่อนค่อยก่อนแล้วก็ ทรงแสดงบทหนึ่งไว้โดยสรุปประมาณชอบมากประโยชน์เนี่ยคือมันมันมันมันเอาไปปรับใช้ได้หมดทุกเรื่องแล้วก็เล่นคำภาษาเพราะด้วยนะบอกว่ายะถายะถายะถาละเพรตะอัดถังตถาตถาัทาตัทธะประรกมยยะประโยชน์พึงเกิดขึ้นในที่ใดๆโดยวิธีใดๆ ให้บุคคลใช้ความเพียรพยายามในทีนน่นั้นๆโดยวิธีนั้นๆหมายความว่าดูซิว่าทำอย่างไงประโยชน์ตัวนั้นจะเกิดขึ้นแล้วก็มุ่งมั่นไปเต็มที่มุ่งใช้ความเพียรพยายามไปเต็มที่เพื่อเกิดผลในลักษณะแล้วั้นมันมองไปที่ตัวประโยชน์น่ะเป็นหลักแล้วก็วิธีการที่จะบรรลุ ป, ประโยชน์เมื่อได้วิธีการก็กำหนดเป้าหมาย ท, ที่ที่ประโยชน์เหล่านั้นแล้วก็มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายตรงนั้นก็เป็นโครงสร้างของอิทธบาทรสี่นั่นเองแต่ว่าไอ้ตัวใช้ปัญญาเนี่ยมันก็สดสองมองได้ทั้งระบบคือมองเห็นทั้งระบบไปก่นอนประโยชน์พึ่งเกิดขึ้นในที่ใดๆโดยวิธีใดๆบุคคลควรใช้ความเพียรพยายามในที่นั้นๆโดยวิธีดนั้นต้องฝังเท่าไหร่ ใต้ร่มรัพุทธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นทนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงกงามไพศาลในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังต่างหลายด้วยทั่วกันสวัสดี